วันวันเคลื่อนเดือนปีว่ามันคล่องหน่อยเป็นรอบๆยองสิวัดพระธาตจากโลกประเชษเสียสมมุดจะวันทิพย์ยันครั้นทศนิยมทุกเชาก้าก็ดีก่อนสมมุดเพื่อให้หนุ่ยจักจำได้ไม้หลู ก, กันส่ายหนอกซื้อเพาเป็นจริงกับมีรถมีสาสตร้อมอันมีรถศาสตร์มืดกับสาสตร์สวางขนา สอาธิตจองขึ้นมากแตระวางสอาธทิตหลับไฟกระจกบมืดเหอนไอเห็นมีเห น, ออยย น, เหนมกร่ากุมผ้ามีหน้าเมษามกล่ากุมผ้ามีไม่หน้าเมษาเพจะพากิจวัตรกระดากระดาสิงหากัยารยตา พิจาริกาท่านว่ามักะอันนี้ก็สมมติเพื่อให้เข้าใจว่าไม้กันเจอจะดูก็มมีเที่ยงซ้ำจะดูจะดูหนาจะดูรอดจะดูแดงจะดูฝนที่จะดูจะดูละช้ำด้วนก็สมมติเป็นสีหนึ่งว่ามันจริงกับดีเก่าวันเก่าเดือนเก่านั่นเองมาเป็นหลอกๆมาชวนหายไปใช้ไปจังหลบยุ่ ที่้องสัตจะระยุระยุกระยุกติ่เกิดมากัางัดผาดจากเวลาไปจางหากเวลาวาไดสัดผาดจับผั้ได้ไปไส่เขามาบวชไฟปฏิวัติเข้ากับบวชทั้งกายบวชทั้งวิชาบวชทั้งใจ มาเป็นบวดจะ ก, กายที่ชื่อว่ากากระบวชใหญ่กระบวดหอมเกิดใจเทว ด, วดทวาทั้งสามเขาเห็นโถดเห็นคุนจังไรเขาจึงมาบวดจึงมาปฏิบัติเขาเขาเห็นข้อเกิดความแก่วามเก็ดความาย ควาเย็นควางหอนควางหนาวควางปาชนะบดายคสาหวังความปัสสาวจ <c oughs> กากเสียงที่รักประสบพบเห้นยินในโลกเมื่อนี่เกีะะวกับเค้งโลกเังกรงกูดเัรองหลงประจ่พันธะสัดนด่านรวงทุกตานทุกคน ก็จึงมองเห็นว่าท่ามบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติอนเนกสลอยชักทำให้คิดใจสูงขึ้นสิ่งอื่นทิ่ว่าสูงขึนกว่าต้าเพราะให้คิดใจสูงขึนเนื้อจากข่วงหลบข่วงปวดข่วงลงจะาของพอเพราะเตือเนเยวาวาหลบเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บใต้ พอยากเก็บทํามคิดท่ามใจในสูงขึ้นไปกว่าเกิดกว่าแก่ก่าเก็บกว่าตายกวัวหลบกัวปวดกัวหลงชินหรือาบมาปฏิบัติกับจิตกำลังองไปความมันกัวไหนมาปฏิบัติโดยกระจายตื้นตูมหรือรวยหลบเขาพาปฏิบัติกับปฏิบัติไปหรือเอาเป็นเครื่องอาชีพเขาพอด้ไม้ว่า จับทำลายกิเลสตามจิตีกำลั ง, งของเจ้าของเพื่อจะฝึกฝืดคิดใจของเจ้าของให้มันสูงขึ้นไปกว่าระดับเดิมพอเลี้ยวไปสาเห็นตะเวนเห็นตะไพ่เห็นตะแก่เห็นตะเก็บเห็นตะตายเห็นจะหลกเห็นตะปูเห็นจ ะ, ะลม บุญไหว้าส้งเงยในวัฏสงสารวัฏสงสารไฝ่หนอะบุคคลอื่นสักอื่นวัฏสงสารไฝ่ในสักคนละกายสักคนละใจสักคนละใจกิอ ย, อยังบุญไหว้ไสพงโลเพราะยังไปตามอานาจนำหลบนำดนําลงโลยังพ่ายชนะ ในสักวรนละกายจะเต็มไปด้วยแล้วก็ทุกทั้งพวงเพราใจเป็นผู้เฝาผู้ป่องก็ตรงหึจับคิดปวดลวดหลา่าทิ้งเลยกลับมาตรงมาหาคิดหาใจโลกภายในคือน้ำหุงอยู่พ่ายใงก้อนั้คือคิดใจโลกพายนอกคิดใจพื้ออืน หนังหุ่มพัวอือนหนังหุ่มซัดเอือนสัดโลกโลกคือโมซัดโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินสังขารโลกโลกคือสังขารทั้งพระโลกทั้งปวงอันนี้จะเป็นยึดจะเข้ามาท่านมาเกิดไวยผู้ได้ที่บังคับบัรท่าได้เป็นไปตามสภาวัฒน์ธรรมยุจังสัน เมื่อเขามีเกล็ด ย, ยังมาสนะความหลงกัจําเป็นหนัมาก ร, อา ร, การก่อยสะเลาะทะเลเกิดทะเลกแก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลลุกทะเลกปวดทะเลล้เนี่ยนี่เมื่อท่านท่านฟังยังเบื่อเพราะเหตุใดเพราะเหตุยังมาท่านเบือ่อท่านนายมาท่านไายเมาในความเกิดมาท่านไายเมาในความแก่ เังมท่านไข้หม้อในความเก็บยังายมาท่านไข้หม้อในความตายยังายมาท่านไขยหมอในความมีหกพัทธายังายมาท่านไข่หม้อในความป่าเถนาวแหล่ส้ววังยังติดโยนําของบ่หมันบ่เทียงยังติดยน้ำของบอ่บงงงงบสวยบง่างามคือยสะกดนาฬกลายพระองค์เก่าบัญญัติเราบ ร, รมานของสวยของงามของป่วยของเล่าเล่ากระฟืนเพิ่น เหรียญทองเก่าว่าเป็นของสวยของงามเรือนควงฟอควเม่ห่อไรเงาห่างเปิดมาเป็นเพลดสองห้างกระดูกยู่งเป็นเพลดลนังเป็นเผลดลมกระดูกเป็นเพลดลมเนื้อเป็นเพลดล้มกิดนล้งขี่ล้งนั่งลงนอนล้มนึกล้มขิดลงอันนึ่งก็ลงไปมดเพอหยังหวาดชนะหน่อย กั็เมนหลังจากนั้นนะหน่อยก็คว้าตู้ไว้ได้สั่งไว้ร้ายกลา้เป็นคนบอกงาสอนอยากว่าฟังคมพ่อคนแม่จ้าเนี่ยพ่อแม่บอกไว้พ่อแม่อย่งคือทำความสอนของพระองค์เจ้าเดียกว่าพ่อแม่เดี๋ยวว่าจับทิ้งข้ามเทพะองค์งุ้มเจกแบงไว้ให้มนุษย์เทไวดาท่างร้ายโดยว่าลาเอียง เป็นคองกลางอยู่เป็นขลองบองะกุลอยู่ไชจากไดไล้ายหอบออกไปไล้ายกับว่ามดไช้่ปจาใดเพื่กรบว่าบังคับไช้ที่เอามัดเพื่อเดียวว่าสัก่กมัดโเสีอืมว่าด้หยาดแต่เงีเ่ยว่าด้ขี่แต่ป่วนกันคำซ้อนผจญนักนคือซับไายนอกับไพ่นอกตอก้องขี่แต่ป่วนกันแตูู่ได้ว่าเป็นถ้มว่าจะเป็นถ้ำก็บ่เพราะป่วนเนาะพูว่าเป็นถ้ำต้องปน นี่พอต้องเอาไปขี้แต่น่นใช้ได้รไดหระเอาโลดทางทัาทางซ้อนของพระองค์เจ้าจะเป็นาศาสตราของทันทางร้ายห่าไงไกลขึ้นมาถึงเพียงนี้เข้าพานทุกมาถึงเพียงนี้เข้าสองที่เจ้าหน้าทัางท้อยหลังก็ดีปัจจุบันก็ดีคอยจักได้ความซัดดูเมืาหน่อยก็ต้องวา ถ้าเกิดว่านี่เข้าเนีพบซุกจะเถื่อตางคนต่างปวดเบืองดู้กายนี้ก็สุกทุกข้างกายก็ดีเจ้าถ้าซุกทุกข้างใจ ก, กด็ดีธีว่ า, มมา เ, เ, นะเ ข, ข้าสมมุติว่ามันเป็นซุกเป็นซุกนะมันเป็นซุกจิ๋งตังเข้าสมมุดอิริบอกหรือเหรอเจ้าตัวข่อยตัวเจ้าจซื่อ ในกัดไม้ทามค้าว้ามข้าวหากันว่าจะซือซุปสบายดีหรือสบายดีดอกก็ทำไม่ว่าสบายดีนี่ด้เืีองกัดไม้สี่ไม้เพียงแค่ใดไม้เี่อาไ้กินขาแสบนอนรับมาเก็บ บ, บป่วยนอนค่าที่ว่าสบา ย, บายที่นี่แต่เขียนมาตินี่เพืเ่อนเพียงกัดไม้ถ้ามกันว่าสบายดีดอกด้วยทั้งฝนทั้งพี๋ ยึดใจของห้าวโแรงณขึ้นไปกว่านั้นอีกควมตัวสั้นนี่ถ้ามาดองเขาใจเขายูสบายทังนั้นควมแก่กระทับทมควมเก็บกระทับทมควมตายกระทับสมอยู่ควมเย็นควมหอนควมหนาวควมปวดเหล่านีนะักคนในหลังกายกระทับทมอยู่นี่คือแมงคืนควบมอควยากถ้าสิม่าพอเหมือนกันสมมุติว่ามันสบายดียูมันแม่ร้อ นันคำว่าด่าจิตใจไว้สั่ที่สบายทั้งใดทั้งข้าโลกกับโลกเป็นจัดคำว่าได้สมประสมคกอดถึ้งข้าโกศกอดเป็นจัดอี่ภูมามามาดาเขียดกระผมจนถึงก้าขาวปั้นรันแทงกันจนถึงข้เบางหน้าบางตาคำว่าได้จะเป็นคู่ผีคร้ซางคู่อากาศกันในด่าจิตใจที่นี่ความที่เขาบัญญัติว่าสุขมันแมนบ่ มันว่าเมนในตัวกันหักผัวตัวนึงมึงก็ตัวผู้่อยกับตัวเจ้าเจ้ากับตัวู่ยขันตัวโผล่โผล่ก็ตัวขันมีสังขันซึ่งราห น, น, นี้เป็นนาทีเฮาดีที่เช้านาทั้งนั้นเฮาเป็นนักลบนักขอยสงข้าม เพื่อจะภชะกิเลดเจ้าของควื่อภานชนะควงหลุควบปวดควหลงเจ้าของถ้าตายฆ่าหลุดฆ่าปวด่าหลงเจ้าของงงว่าในบาบางใช่เลยเรียกว่าถือแผ่ไปยุติศาสทุ ก, ทกบขนาดว่าเบาบางไปขาดนี่กบเบาบางซ้ำนี่หรือหตหงาน้นหายไปมดกว่าดีแห่งดีร้าย สันสัตนี่ก็เกิดเมื่อเพิ่มควบโลกควบกูฏควบลงใชแ่แล้วไม่มีท่านห้ำหันไม่มีท่านท่านพบปองรักษาไม่มีทางระบายออกจากเตือยศานากระเท็กไปหนอีกศาสนาอีกระเท็กไปหน้ อ, น อ, หนอีกนีน่ังได้ให้จิตผนจากความทุกข์จากเทือ พระพุทธเจ้าจึงมาบัญญัติสีนจึงมาบัญญัติจมาถิกจึงมาบัญญัติปัญญาให้กงคงเกินกันเพื่อให้มู่ห่อทำลายเลยปฏิบัติทำพันกิเลสยางหยอย่างกลางอย่างละเอียดในเหงื่อแห่งหายไปจากคันธะฉันดานวินชาทามพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตละวิชา ม่าเป็นโลกียะวิชาเป็นวิชาซักส่วนไปถึงโลกุตระบ่มันมิชาที่มาซักส่วนไปเที่ยวมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายอยู่ในวัดตาทองสอันเนี่ยจะเพาะผู้บวชมาแล้วขันวอยจังสั่งขันวสมฐานะที่บวชมาบสมฐานะที่ว่าไม่ลูกไม่เมียขันห้ายัางศีราะถนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติโย รรมสมฐานะที่เขาล่าคาราวาสมาบวชมันจองสมฐานะผู้อยู่ในคาราวาสแม่ผู้อยู่เขาอยู่ในคาราวาสเตะเก็ยัง น, นินรนอยากผลทุกในวัาสงสารในปัจจุบันนาสติ์ก็มีผู้เขาเขาแก่กล้ามากนะ่ะ เมื่คิดเท่าบะสูงขึ้นเท่าบะเบื่อบะนายหาวิจจะิจจะเอื่อนในวัฏสงสารคิดทัองเขากับธรรมะกับพระกรมคืนกันเพราะที่ถือจะทําเพื่อนในวัฏสงสารเนี่ยถือจะทําปูหกในวัฏสงสารเนี่ยสี่ว่าถือทําจริงทําแทะมันจะถือจะทําเทือนเห็นไ่มคิตใจถือทําเทือนทำก็เป็นทาเทือนว่าคนพวกก็คิดใจคือกันเป็นทำพร้อม ท่ที่เห็นภายในวัตจัสงสารว่ามีฟังวันกลางคืนเป็นเรียกว่าบรมท่ามเถือนอันนัมันท่าแท้ท่าเดินทางท่ามไว้นอนใจในข้าสอบชวนม้างคิดใจเขาเข้านู่นนะว่าคิดใจเขายังเพิ่นในวัตจัสงสารหลายอยู่นะ่ะก็เรียกว่ายังถือท่าเถือนอยู่หลาย มีนารสรังเวทเดี๋ยวบางอาดีเดี๋ยวบางอนาคตเ๋ยวางปัจจุบันอันใดกันเมื่อพ่อสถิตย์อยู่ใดจักแนวเมื่อพ่อทินาเพื่อนใจเป็นนาสรสรังเวทเป็นนาเอื้อมเป็นนาละอาพ่ดเต็มไปด้วยของบ่มีแกนมีสารจักแนวมีแต่สังขารอปรมาทุกขาสังาขารเป็นทุกอย่างยิ่ง สัทงทานที่นี่ใจคล่องอะไรบ้างีใจคล้องเหมือนกั น, กนทุกเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายในโลกอันนี้เป็นพี่เลี่ยงเป็นนั่งน่อมเป็นผลของก่าจะพบก้อๆที่สางศาสางพบมากเลยๆสวยอืม จิตใจของเฮาสิยุ่งแน่นระดับเพื่อนเพื่อนในวตาสงสารยุ่งยังนี่แล้วความสุขจิตสุขใจของเฮาความสิทธิ์ลดนจากความหลงความหลอกความโกรธความหลงของเฮากับ่มีวันคือแผลตจกิเลสยุ่งซํานั่นคือแผแต่ความหลงยุ่งซํานั่น ถือแผลที่ควมอาคารหมาดหลายอย่างนั้นถือแผลที่ควมจองหลังจองผานอยู่เช่นนั้นหรถวัชระไปก็เือคือแผลทั้งหลงหนังคือแผลทั้งหลงกระดูกคือแผลทั้งหลงผมลงขน ล, ลงเหล็บลงฟันวัชระไปได้พระกิเลสนี่อำนาจราคาจัด กพิกำนัดแรงกระถ้าบป้พี่จ้าน่าตามเป็นจริ่งคพิ่มกิงมีอยู่บอยอมพี่จ้าน่าพี่จ้าน่าอุบายได้ราคาสิ่งเสริมกับปัญหามาปอนมันยื Is ้อมืออุบายได้โทษซะสิ่งเสริมกับปัญหามาปอนมันยื้อมืออุบายในโมหาสิ่งเสริมกับหามาปอนมันยื้อมือข้าสิปอนยื้อสมือมืปปอนยื้อมือ อันนั้นเป็นเดี่วของเขาสิเห็นเขาไว้ผู้อื่นที่มาหายคะแนนเาสนใจเพียงแค่ไดทุกวันหรื อ, อยูตามก็เยิ่มคีดมากันกล้วยแล้วมือนั้นแลวมือนี่ไปบอกอันมือนี่เป็นนาทีของฝ่ายของมันสิเบิงเอาว่ามันเนี่ยจะไปตัดสินให้กัน มาปฏิบัติเพ่มมาจานต์ว่ามันสีมาสงสัยที่ทาความสงสัย ห, หายมัดทาความเมา ห, หายมัดกยเมามาแล้วเมาเหล่ายังมีงามเศร้าเมหลุ่หมโกรธมาลมงว่ม่งามเศร้านั่งเที่ยงในทิพยปัสาะนอนก็อยู่ในทิพย์สาวะวก็อยู่ในพิพปสาะ ฟังงอะยรนงี้ยพิพาสกเขามีโลกโกดหลงทัมประยุทธ์จิตใจอิอุันิสากเป็นจังว่าปาโลกปลาโกดปาห ล, ลงปาลาคะปลาโทษสะปลาโมหะนั่นละคือปาซาในพะประมัดปาซาภายหนอกของเฮ้าก็คือผีปลาซาเอาไปเผากันปาซายับเข้ามาอีกในพระสูตรก็คือในถ่องนเฮ้านี่มีทัผีปลาสากบผีปาสาัเขียบ มัวควายปลายเขาซัดที่มี่วิญญาณคล้องสิงสัดเนี่ยอันไดสารพัดอย่างาิปซาเนืคุกขีไกลแต่ไม่ได้สกลลกกายฮะนี่แต่ไมคุกขีไกลแม่ร่ำใจฮะยินเข้าว่าติดคุกขี่ไกลยนงได้เวียงจะเกียบพลังปกป้อง น้นห้อยนั่งกำนัราานับไถ่เง้ดีในส ก, ลลกุลรับไว่าสวยว่างามโย่ข้ากระติดคุกขี่ไก่ขื้นกันไงอ่ะนักก็ขี่ไก่ไปอีกข้าไปสี่นัไปเรี่องแกงคนสี่เขามาในห้างกระดูกข้านี่ข้าติดจุคุกน้อยนี่สวยามทีตลาดติดไก่าหลงข้าต่อมที่เจาหน้าเนืดเหนื่อยเมื่อยล้าในความเกิดแก่แกบตายสารพัด เช่าพระทุกข้างป่วงมาหวมมีมหวมมีในศาสตร์ในภพมาหวมมีในนังหุม่มมหวมนี้ในสกลละกายสกลลไกายงานทั้งลายแม้นคิดใจเป็นผู้แจ้งขึ้นแจ้งให้หลงกับแม้นคิดใจเป็นผู้แตง้แตงแจ้งว่าให้ผู้เจ้าหลงกับแม้นคิดใจเป็นผู้แตง้แตง แต่งห้มีท่านมีศีลมีภาวนากับมันคิตใจเป็นผู้แตงแตดงให้ละเรื่องพวพันในทั้งอื่นกลองบันขา่าวว่ามันเครื่องสอํารับอยาจะของสลดัดกับมันคิดใจเป็นผู้แตงเมื่อคิดใจยังบ่าเนเห็นโทษในเกิดในแก่ในเก็บในตายในหลบในโกรธในหลงด้วยแล้วที่ห้ตาหูจะมูกลิ้นกายว่าเห็นโทษมันกับว่าเห็นเพราะมันไ่ได้ไปก่อเอาภัย ผู้อื่นมาก็เอามันตังหกักห้ดินหนามไฟล่มไปเห็นโทษกับว่าได้คุณในดินใน่หนามแนไฟใน่ล่มมีเทไดเป็นหน้าที่คิตใจจงจับโทษมีเทไรเป็นหน้าที่คิตใจจงจับคิตใจมาเม้าเอาสังขารและวิสังขารเม้าเอาเม้าเอาสังขารเม้าเอ า, มาเม้าเอาของบะเทียง ของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาเม้าเมาเอาดินเอานามเอาลมออาไฟให้อยู่วงแขนของคิดของกายเมื่อบมื่อยู่ในวงแขนของคิดของใจตามความประสงค์คิดใจไปเดือดห้อนดินหนามไฟร่มไยนอกพิษบ่หรือมันคิดใจเป็นผู้พิษคิดใจพิษบ่หรือมันความหลงพิดหรืมันความ ง, ง้ ควมโง่ขันบุมีจิต ม, มีใจกับคนที่บนอาศัยมีจิตมีใจยัพออาศัยได้ขันนิ้มขันบุมีเล็บกับคนี่บนอาศัยขันนิ้นต้องอาศัยเล็บขันเล็บแอนรกรเลือเล็กดีเล็กแทนเล็ด แต่ว่าสามหักีนี่ฉนิมหลายฉนิมหลายคือการคันจิตใจมันคัดมันเกาเจ้าจของเองมจาจักอาบน้ำอาบผ้าให้เจ้าของยิดอาบน้ำที่เอาอยางอาบส่วนอาบให้กายเนี่ยอาบใดอยู่ส่วนอาบให้จิตที่เอาอยางก็มีชินถ้ำขอพระองค์งเก่าถนัดเสียอาบไหลที่ทรงไหลสงไหล ที่ทำให้สะอาดได้ร่างกายทั้งขาทันเอาน้ำผ้าอนอกอาบ พ, พอประทังประทังไว้ได้ไปเป็นวันวันความความเหมนสมับ เ, เห็นโขงไปขันก็อาบตัดแห้งร้ายกว่านี้ความเหม็นสับเหม็นโขงขาไปกันกับว่าได้ปากหมอนอยืดสมื่นแต่ยังเหม็นดักเซตยืดสมื่นแม่ยังเหม็น ชวนคิดใจก็มีปฏิบัติชิ้นท้ำอยู่เสมอทั้งแม่ไปไนัย่ยงส ก, กปรกอยู่ยังอยากบืนไปหาโลกหาโกรธหาลหาลงอยู่ยังตายไปชื่ออยู่ฉัวนวยห่อถิ่ไหวตามกัเยอมชีมาการกล้วยมาปฏิบัติชิ้นถ้ำเลยคนเราเห็นกันเสียบางหน้ากันเลย่ี่บ่มีแต่ห อ, อกแต่งาวอ่ะ กรรมฐานใดที่เฮาเคยที่เจะนะสะดวกสบายจิตใจของเฮาให้เป็นเครื่องยูแต่เป็นเครื่องดูของจิตของใจแล้วพิจารณาอ น, นันต่วมแห่ชัดกรรมฐานเดิมอันนันเรียกว่าอาจารย์เดิม มันทีร่วมลงไปอยู่ทลายกระแสมันร่วมซะเวลาร่วมลงไปน่ยมันเป็นรถจังไรใระชื่อไหวเวลามันบมร่วมมันเป็นรถจังไรกระห้ยชื่อไหวเวลามันฟุ้งซ่านจมันโมเข่าเป่าที่เรากำหนดกฎหมายไว้มันเป็นจังไรกระแหงหัวจักมันมันหนีจากเป่าไปด้วยวิธีใดกระแหงหัวจักมัน มันวันนี้ด้วยวิธีไรกับหงจักมันมันตั้งอยู่ไดด้วยวิธีไรกับหงชุดหงจักมันมันตั้งอยูืนวนปัญไรกับหงจักมันรถศาสตร์ของมันที่ควมตั้งอยู่และรสศาสตร์ของมันที่ควบมาตั้งอยู่และรถศาสตร์ของมันที่กําลังวิการณ์โยมเป็นรถจังไหนไอหงจักทั้งรดมันด้วย ผู้สางเว้นสางไพ่คืนกับมันจิตมันใจอันเดียวผู้สีระงับเว้นไผ่ขึ้นกับมันจิตใจอันเดียวอันอื่นกั บ, บว่าด้ามาซอยมาว่าแนวเป็นฝักเป็นขาเลยไม่มีอันไหสทีมาเป็นสาหายผู้เดียวร้อนโลนมีอิสระ ย, ยางเต็มทีเนี่ยท่ำซัวสะท่ำเขามาให้คิตเถอะเนี่ยท่ำดีกับทําเขามาให้คิดเถอะ อยากรุดอยากพ่นกตไม่จิตนะผู้สิสลุดสิพ่นไปจากสังขารทั้งปวงว่ามันโม่หมันว่เทียงเนียอไปอดีตอนาคตปัจจุบันนะอยากรุดอยากพ่นจากคว่ำหลงที่ลงมาแล้วกต่ม่ผู้จิตสีลงที่พ่นจากคว่ำหลงโกด์คว่โลกก็ดีเพียเพีกยแม่นจิตนี่แนะ่ผู้ที่เป็นนะ สิเป็นท่าแต่มันคิดผู้สิเป็นยิดอย่งยังเป็นทุกข์พอแก้ปัญหาจะคล้องบะตจกถ้าแจ้งปัญหาจะคล้องตกตอนไดนคิดกับสบายตอนนั้นก็นเป็นทุกข์ถ้าแก้ปัญหาจะคล้องใส่วัตถุนิยมในของโบมันโบเทีย ง, งก้มสุกแห่งกิบกับโบมี ว่ามินชบาศเชนาชนะในเพศชัดหนียูว่าได้ประมาทเพราะเป็นเครื่องอาศัยของบรนประสิทธจะห้าสิจิตเื้อเพียงแค่นัน่นความสุขของห้ากับบมีอีกละเมื่ออันนั่นผสมผสมกว่าเดือดฮอนอีกเพราะอันตระท่านเป็นน่นยังเป็นของภายนอกอกูู เมื่อนังหุ่มะสมประสง์แตกสลายสลายไปเกี่ยนสอบฟันฮักไอผมออกก็กดีเสยนย้อนเป็นเกี่ยวก็ดีพอจักเดือดห่อนอีกเหมือนกันพระโตม ก, ก็เอาของเดือดห่อนไว้มันพิดกระตกลงอยู่ในกัปโขมงูควมหลงควมเจ้าของพระเจ้าจิตตละของเกาหันละมาไปข่าไส ปากินปิงที่ไปฆ่าข้อแห่งโบแมนปากินปริงกับฆ่าข้อปริงฮะฆ่าข้อป๋าฮะมันขึ้นเหนือนปีซี่วิมันเป็นท้องไพมันโบเดวามันจะเป็นท้องไพซีวิตนี่ กจะเป็นไปตามสภาพวัธรรมมองไปไหก็เห็นแต่ว่ามันพีมันนอกในใต้โลกฐานเห็นแต่ควางบวมบ่เทยียงวัดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมองงามไหนก็เห็นท่านั้น มองามไหนก็เห็นท่านอ่ะเหลียวเบิ้งมัดมือก็เห็นอยู่มัดมือท่านอ่ะต้องเหงจึงมาเหลียวเบิ้งก็เห็นท่านั่ะไม่เห็นอันอื่นอีกพอที่จะขอเนาแม่เห็นไายเจ้ามาเบิ้งในโลกอันนี้ไม่สงสัยว่าสิไม่เหนอื่นอีกเจ้าเวียนแชียนซักอันไหนกสร้าง สร้างวัตถุนิยมกระจายจะยู่ใต้อำนาจอานิจังของเก้าหันละว่วิสิยอยู่ในกำมือผู้ใดจะกล่อมของทรัพย์ทั้งหลายยังม่พ้นผลทุกเมื่อลงหยักลงแยงอานิจังกันลงหยักลงแยงหางกระดูกลงหยักลงแยงขี่นี่เป็นเมตชนละ อกำ่ำยังไล่หัวได้หน่อยมึงแนลายิงเ ล, ล้าวิ่งไทยวิ่งเก๊กวิงกีมคาสซี่ตีพามเส้นหนีเิ่งซัวกันเดยอนี่พอหลงกินลงขี่ลงวัตถุนิยมลงของโมมันบะเทียงนี่เองโมมันเทย์เออร์เทย์ยานเพื่อจกพ้นไป เดี๋ยวที่อันเพื่อจะติดอยู่ทังซุกิี่โตโฮมิเพราะเราจงเป็นซุกเทิดขันซุกที่ในโลกหนี่ยมันชิมีประตูไดขันปสุกในพายใ น, าผา น, ผานผ่านผลว่ามันซุกในกลุ่มผลผูกผล นี่ทุกโคหัวมิขว่าเราาย่าเป็นทุกเถิดนะสิทั้งข้ า, าราชบริมารทุกข้าในไตลูกระลาธาตุมันเป็นทุกข์เพราะแห้งนะเอาเวาโรหัมิขว่าเราายังมีเว น, นีไพเ่เถิดนะสิในพะไตลูกกรธาตุเนี่ยมันมีแต่เวนตะไพ่เนี่ย่ถึงพระนิพพานมันก็ บ, บ่รลงับแล้วเวนไพอ่อามันชาติหนึ่งกับชาติหนึง่งโยหัหนมันนํามาก ม, มันลอยกันไ้ายห่ะถึงมันชิน้ำ ม, มากก็าตามคิด น, นาคนจะ ก, กิดเลื่อเลื่อกถึงวาน้ำเห็นเจืเฮือนห้างแต่ยังไข้นเนี้ยอันนี้โคโฮมิตั ว, วอพยาประโซโคโฮมิยังมีควมป่วยไขย้ยังมีพยานตัวอันนี้เกิดแก้เก็บตายอยู่งสิมันก็นมีพยานเนี้ย ต่พวเขาสู้ภายในภาชนะเชตตาสะพทุกขาประมุ่นจัตุเพราะว่ถึงภายในภานเนี่ยมันก็มโหจากทุกแล้วมาถึงพระสวัดาบันจะตข้าข้ามียห น, น้าค้ามียหรอกผมมีคนทางสี่เบาไปแล้วฟองเขียนปากสีก็บไดหรอก จเรตเด่อน้อยลงข้าตวัวะควาตาทำโมกทำปะพุทธเก่าเก้าดีแล้วเก้าดีแล้วก็เก้าดีเพื่อให้ถึงโลกกุตละคณลงเพื่อจะให้มาอยู่ในโลกทียาบเนี่ยนิยานิโกะธรมะธรัตสัทารีเป็นนิย่านิกระทํ่มน้ำสัตว์ ให้ไปถึงโสดาหวานสัพท่าขามีอันาคามีอร ห, หันต์แล้มันนั่มเิชรยู่ในโลกอันนี้จัดจังให้เห็นเองนะสิให้เห็นในโสดาหวนานสัพทาขามีอนันาขามีอรหันต์นียข้อมาส่องโองเจามันจะให้เห็นนกๆ น, น, นี่เด้ นั้นนอกก็ที่เอาไปฟู้งทีสันทิษฐที่โกเมื่อวันกับวุ่นไหวแหละฝันเฟือแหละอนุง ม, มีคข้อหมายแหละสันทิษฐที่โกว่ามีขอบเขตแหละเขาไปลักไปซกเขาเป็นสันทิษฐที่โกอยู่ ม, มันยังเป็นทางโลกีด้วยที่ไปเอาเขาขับธรรมาเทพองค์เจ้าสันทิษฐที่โกเมันก็เขาได้วัสนิดรหรือเอาไปเขาซื้อ พอปานเอาสีไกล้ไปท่าแทะแกนจันแดียงกันแล้วมอสมท่าหนาสีเอาสีไกล้ไปท่าแล้เจ้าต่างหากจักเข้นเองไมถง้ถึงสงชิ้นถึงท้ำสั่นโลกุตละคนนี่สีไม้เห็นเองคือเข้าเบิงไฟอย่างสีมันกับอะไร แต่บาองทีเขาเขีอีกแบบซุ้มเสาหน้าบัวกันเดี๋ยวพอแกงทั้งชีทั้งต้นั้งกลางตั้งเก็๊ยบทั้งปาเนาปาเหม็ น, มนใส่น้ำกันหมก่อนเป็นจะ ก, กินแกหมวใหญ่ไปนในกระซางครับหอมเหม็นก็ทิมเสียหต่ก้างก็ทิมเสียหัน่น แล้วนันคือกันเสียสันิตที่โก้ปัจจต่างว่ามีทั้งขืนทั้งรองมาห้อมเมดซึ่งคูบ่มีสินมีธรรมเขาขก็บเป็นปัจจต่างบ่มีชินมีธรรมอยูอ่เดี๋ยวมาห้อมเมดกับอะไรตองไม้ขอบเขตเจ้าพระวดาหวานไป พ, พุติเจ้าบนในมุ่งเอาสันเขามาอหม เรากคลรงบโัวสดเก่าเออหนูมาอยู่ห้อมน้ําเปีอังเสร็งเรามาอยู่สนามทุกพ่อแห้งแหลกสนามสงขามพ่อแห้งเรียกนี่ผู้ใ ด, ดมาเกิดแก่เก็บตายในวัดตาสงสาร น, นี่เรียกว่าอยู่ธสนามสงขามสงขามแก่สงขามเก็บสงขามตายสงขามมีหกผัดผ่าสงขามโลกสงขามโกรธสงขามหลง เ่าิมากินเขาพระเจ้าเอาชนะผู้อ si Se ื่นมากินเขาพระเจ้าเพื่อสีเอาชนะกิเลสจะฟ้องชนะหน่อยกับแม้นชนะกิเลสจะฟ้องชนะหลายจะบแม้นชนะกิเลสจะฟ้องชนะเมดโดยสิ้นเชิงกับแม้นชนะกิเลสจะฟ้องถือแพื่กิเลสถึกหน่อยถึกหลาย มันถึงแผลขี้เล็ดจะคล้องนี่แผลชนะควายนอกวได้มีในพระศาสนาถ้าของเอามาบอกกันซื้ออันมั่นนั่นเหนมันชุ้งเสาหน้าบวัวชซื้อเอามาจะ แ, แผลแผลชนะควายนอกวได้มีในพระพุทธศาสน า, ศาไม่ได้บรร ญ, ญัสเขาในพระพุทธศาสน า, ศาแผลกับแผลกีเล็ดจะคล้อง ขาสนาศาสกิเลสเ จ, จ้าของเะมมนแกนถ้ำแถของพระพุทธศาสนาเนื้อเราหนั่ไมันเปลือกมันกับพี่มันเอามากาวมาตูซื้อโอ่ออง์บ้ได้ส่งสนรเสริญในคำพูดชนิดนั่นเฮ่าไปจากอายผู้อื่นเฮ่ากับจากอายเฮ้า้ า, นนางควันยางยากอายเจ้าของพราะเทียบเปียบเทียวมาเคยแก้แก็บตาย เสียเปียบลงวดลงเสียเปียบเข้าใจไปพิษแต่ผนมาบรญญัติว่าตัวถือตัวบู้ยินดีในพระนิพพานนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตัวบูวยินดีในความผลทุกข์ในวัฏสงสารสิจัดเป็นสัมมาทิฏฐิเท่ยังเมื่อได้สิจัดเป็นสัมมาทั้งกระโป ดำรีชอบกับยังื่อไรจัดเป็นสัมมาว้จาสักส่วนสอบกันยัง่ไรจัดเป็นสัมมารกรมันโตขานงานสอบกันยังบร่รจัดเป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงซีแบวีวีี่วิต์สอบกยังย่ไรจัดเป็นสมนัมมาวายาโมพญายามสอบกัยังบ่ไรสอบพายพามไปทางอื่นเนี่ว่าพยายามเพื่อรูร้เพื่อผมีอันนี้เป็นรักหัวใจ สัมมาสติอะรลึกสอบกันยังจัดบ่ได้เพราะบ่ยินดีรึกถึง่ น, นภายในผ่านันสิรับสังสารในกิเลสได้ของทูกจัดจัดเป็นสัมาสมมาทิกันยังบ่ได้เพราะบ่ต้องมันไม่บ่ตั้งมันในเกต่หน้าวางผลทูกแนะ่ เงี้ิเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไร้แม่สิขันมากไงแต่มีต้นไม้ปลายทางเท่านั้นเม่เฮาในโลกอันนี้บัญญาถ่ายได้เกิดลืนเมื่อไา้ยา่ายหา่างใช้มีลืนย่านพ่นไปไหวกวาจะทางพนทุกท่านั่งย่านพ่นลืนจะทา้ง วันนีผ่านดับกิเลสเท่านั้นดับกิเลสกับดับความหอนจะพร้อมทันล่ะราคะมีเทไร้ดับซะเรียกว่าดับกิเลสโทษสามีเทไร้ดับซะเรียกว่าดับกิเลสโมหามีเทไร้ดับซะเรียกว่าดับกิเลสคือกันทันล่ะเราสดับได้โดยวิธีใดโดยวิธีประสงคเสริมมันนแล้วโดยวิธีเห็นโทษมันแล้ว ยังเห็นว่ามันแสบมันนวด ย, ยังเข้ากะละวัฒนได้เข้ากะเว้นวัฒนได้เห็นว่าเป็นไฟเอาจริงๆริงจังๆนี่ผู้ใ ด, ดกระทำเว้นไดมัดบอกไปขัดท่านไฟเดี๋ยวนี้ผู้ไปลด้เนี่ย่เห็นโถษแล้วกำทานไฟมาให้จะกรอบเด้วสันมือผู้ยอมเลี่ยนี่เรเห็นโทษคักแล้ว เขาเห็นโทษชั้ น, นั้นภูณระเขาจังทีเว้นได้ราคะโทษาโมหะนีน่เกลี้ยกล่อมใจนีก่กลามาพบลูกพบอารมุกปกพบนีน่เห็นมันเป็นห อ, อกเป็นงาวคักๆนี่พ่มที่เขาใจพิษชลิทนั้น เขาจะพิษของจากรของหันเอ็เป็นหอกเป็นเงาแท่งจักรของคว้วสลางในจากรของหันเ็นเป็นดอกบวัวบูวซ่าจักรของได้อุปมาวาเป็นดอกบวัว ซ, ซ่าบัซาซอุปมาเป็นวุติป่าที่อาโลกโก้ซักแก่งสว่างซ พอสิความสง ส, งสัยตอนนั้นนั่นเรียกว่าอุ้เปาที่อาโลกโกแข็ง ja, สว่างเหมือนไฟโพ่ ง, งว่าสงสัยว่าจากมาเกิดเมื่อแกเมาเก็บมาตายอีกว่าสงสัยในโลกสงสารนี่สิเต็มไปด้วยกกอันอื่นเต็มไปด้วยจ้ากองทุกเต็มไปด้วยแต่ลุ่มท่านเพิ่มนี่ก็จัดเป็นอุ้เปาที่อาโลกโกคือกัรสละสว่างเหมือนไฟไฟโพ่งคือสั่ม เห็นขวดในความทะเยอทยานในวัตตาสงสารหมักไงไฟสูงอันนี้ก็เรียกว่าอุตงปาที่อาโลโคคือการ น, น่ะแต่ว่ามอนไฟโพกคือการ น, น่ะว่าฉันเดี๋ยวไปดับสมุทัยดับตัญหาไปในตัวคือการันหนลักเส้นสี่ดับขาหรือบกขาดแหละแต่าการณีของเก้านันเดี๋ยวก็บรรเทาคือการันหนละ เห็นพ่ยในโทษเล็กๆ น, น้อยๆเห็นพ่ยในคว่พิดเล็กๆ น, น้อยๆเอื้อมละอาสลดสังเวชในวัาสงสารเจนน้ำตาไหลขุนยังที่ได้ยิมใช้ถ้ำุนยิมใช้ถ้ำร้ายก็ยิมใช้ปัจใจที่หุ่นยังที่างัา ง, ทางที่สู้ได้ ยิ่มใช้ปัจจัยสีหลายก็ยิ่มใช้ถ้ำหละ่ะไปว่รอดละนี่ ม, มันมาได้กับปฏิโซ่ของมันสังขารของมันอันนี้จังพวกนี้นี่ ม, มันได้กัติดยูนี่มันนี่กัติดอยู่เข้าว่าสี่เอาไฟฝ่ า, าไปแทงขม่าเนี่เขาว่าได้ลืมตัวเข้ามองไปใน้หน้าคตดเหรอมันรูเป็นไปได้ดอกั น, นได้เข้าว่ายืนยันอีกที ในอันเาเยืนยันอหี่กมนกันยังมาแล้วกุฏีนี่เกอเบื้งู่นี่ที่แรกก็บอยืนยันอิหรี่ดอกเฮ็ดขืนน้ำสาสวัสดชิริเลืองทันน้งป่านั่นก็ยัให้แล้วยังมาแล้วอันนั้นมันเห็นใ้ไปแล้วก็กุฏิเก่าไปทางไหนก็ เ, เห็นเอาหลอดไฟคือสังยุทุกย้อมยาเขาเลย ทะเลวิหวานบานม้ากันวิ่งเล้าววิ่งไท่พั้นลั่นแทงกูเสีมุง่งชนะสัเงเลชเี้ยเห็ดพ่อปันบ่องไปมันจะขึนนี่จับซัดขืนเหนือเนี้ยเห็ดแทนเสลดสังเวทในวัดตาสงสารลายตาสงสารตู่ที่มาท่องเที่ยวถึงคัดของกระดกพดีอส่งยังมาอยู่ มาท่องเที่ยวในวัตาสงสารมาเกิดมาแกมาเก็บ ม, ม, มาตายมาหุ่นมาไหว้ทุกสงสารสัสงเวชจะฟ้องจะเป็นอาขังสุกิโตโหโมัมีสันตนอาขังสุกิโตโหโมัมีสั่น้ายเป็นพระละหันเป็นทุกขยังเต็ที่แล้วนตนสั่นกลาง เป็นฟังโม่ห้ออาจารย์เทเดนฟังเนี่ยสมือสมือเหงืเขาก็เป็นอาจารย์เทเในฟังกินหลายกับแม็นอาจารย์เทเดนฟังกินน้อยบเอี่ยมกับแม็นอาจารย์เทเดนฟังบ่ามีแนวดีจักแน่ ทังพิรกับแม่นอาจารย์ทั้งพิรเทศแห่ฟัง ใ, ให่เคสให่ลาบทั้งถือกับแม่นอาจารย์ทั้งถือเทศแห่ฟังได้ปฏิบัติไหวจวําไหวทั้งไฟหนอกภายในสันเขาทั้งปลากระเทศออกทั้ง ทว่นนักพลซนน้ำ อ, ออกทั้งปากกระเทศออกทังทว่านเบา่าพุ่มผลพุ่มผมผลผลเออหู ด, ดังกระเทศออกมาทั้งพ่อหู ด, ดังสร้างขีมูออกหูกระเทศออกมาทั้งหูขี่หูผมกระเทศเนี่ยฝั่งพ่อผมหมอกข้อนซ่อนเชีงออกไอ้ดีก็บองหอกพ่อผ้าขี่เสือนี่ มันพานถึงอีดีมันแยมต่ อ, ตอฟันฮักแคลเกษตศแห่ฟั่งพ่อแควปา ก, กเกษตรแห่ฟังพ่อปกออักคหอยล่างพันล้ากนกเหม็นอยู่พ่อแคลคั่วอยู่น้ำลายกเกษตรแห่งพ่อน้ำลายฟัง่งลายก็เป็นอาจารย์เทศแห่ฟัง่ง มออกมาแหละเอาขึ้นไกับ่ได้มีกองปฏิกูลพจานาอดีตกับ่นาเรีอมไสพิจาหนาอนาคตกับ่นาเรียมไสพี่จาน า, าปัจจุบันอยู่กับวิญญาเรียมไส ย, ยืนกับญาเืีมไสนั่งกบ่นาเรีอมไสนอนกับ่นาเรีอมไส กินกระเบียาเรือใสขี่กเบียาเรือใสในวัตาสงสารอันนี้ต้องเรือใสทางรุดพลุนนยท่านรุดท่านพลนไปเลือใสอันไหนเลือใสปฏิปทาเพื่อสิรุษพลุนผมันจั้งมันแนวปฏิปทาเพื่อแทผูกพันอยู่สิเลือใสเห็ยัง นอนจะก็งูเห่างูซาเกิดแก้เก็บายจะเป็นงูเห่างูซาจิตใจที่มีขีเลร่ยกยก็เรียกว่างูเห่างูซาหรือรุนแทนเพิ่มหรืออสัญนิบาศกระเมนีนเออพาลงไปทั้งโลกพาลงไปตะโกนทั้งหลกทังหันพาจิดพาใจลงมาเนี่ยพาให้นอนจิตนอนใจเยอะนี่ ที่จะน่าทำไ ป, ำ ป, ไปำจับคิดไปจับใจอยู่เรื่องเรื่องยังสิมีเครื่องอยูน่นางก็บเบาะใจในนั่งจักทีนั่งในจักมือนอนก็บเบาะใจในนอนจักที่นอนในจักมือกินน้อยกินหลายก็บเบาะใจใ น, ในกินจักทีกินในจักมือ แต่ ว, ว่าหางมีกิเลสกังเที่ยวมากินว่าขี่ว่าหนีล่ะนี่เป็นนกเป็นนูเป็นปูเป็นปีกก็ได้ตายไปเปลี่ยนวา่าละซื้อเปลี่ยนว่าละเปลี่ยนสัตว์เป็นภพขันว่าพี่จะหน้ากองทุกข์หรือปัญหาบ่าหน่อยเนาะปัญหาหลายทีแท้ ปัญหาสี่น่อยลงได้ด้วยพิจ้านาอานิจังพิจ้านาทุกขงังพิจ้านาอนาต่าพิจารนาของป่วยของเนา่า <c oughs> ปัญหาจังสีน่อยลงพิจ้านาของบ่มันบะเทียงพิจารนาดินหนาไฟร่มที่เข้ามาหลงอยู่พิจ้านาอาดีตอนาคตปัจจุบันที่เข้ามาหลงอยู่บรญยัตปัจจุบันไหวเพื่อให้ปฏิบัติธรรม ว่ามันเพื่อว่าจะให้มาเกิดเป็นปัจจุบันอยู่นี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมาใส่ปัจจุบันอยี่ยนี่ก็บ่กแม่ขันว่าจังสันมันถือว่ามีควาวัดปฏิบัติจึงย่อดสินสมาธิปัญญาลงในปัจจุบันมาปัดปฏิบัติในปัจจุบันโหลดเป็นสามเกือโหลด เป็นเชือกสามเกี่ยวโรลดเป็นโมอคอนเสาสามขาโรลดต่างขาถ้ำขาเวนไนต่างขาสิ้นสมาที่ปัญญาพร้อมกันโมนุต่างล้องหัน ก็มาคือใจกั่นพลาเฮาเม็ดบุเมศตาตนมือไฝเสเมตรตาดอกนั่นตองเมตรตาตนเมตรตาตนหลายก็ให้ผู้อื่นเมตรตาห ขอ้อไมัเกิดมาแล้วขอ้ขอข้อไฟข้อมันคือไก่นืมผู้อื่นกัเป็น เ, เพียงแนะ่นำํำตอเห็ดบะได้ทันทีเห็ตางเขบได้มันก็คือเหียบภา ย, ย, ยหนอเหียดภา่หนอกพราตาง ก, กันได้แล้วมีําลั่งเหยียบไพยในตางกันบะได้น่อนอนก็นอนเองนุ่งขาก็ต้อ ง, อง ก, กินเองยังสิอิม่มผู้อื่นกินแท่นบะได้ ย่างเสวเหรืออะไรกัมันเพียงปอนนั่ลนล่ะนามกับย่างเหรือะไร้ับเตะเทกจอกแต่ปากนั่นละ่นะเอาป่าคืนกับมได้อีกละ่ะโอ้ยนอนเมื่อรับควายที่นอนรับแทนเรากาสั น, นอ ก, อกับมได้อีกก็ะโอ้ยนึกบ่ถือควายี่นึกถือแท่เรากาสันอ ก, อกับผมมัได้อีกละ่ะ นึกบ่ถือคิดบ่ถืออ้าวผมตีนึกถือคิดถือแค่นัน้นว่าสัจะไ่ได้อีกละ่ะหสนาสํานั่นทั้งกรรมทันหาห้เอาห้สํานั่นทั้งลมหายใจให้ออกเขาออกหายเอาหทำำาทน่นทั้งสตซีดินหนามไฟร่มห้ยที่หน้าเขาเพราะมันมียอยู่ในนังหู ม, มดแล้ว ใค่จนั่นทั้งเมตตาให้เอาเพราะมันมีอยู่ในใจแล้วเมตตาก็เมตใจกับอันเดียวกันแล้เพราะใจเป็นผู้เมตตา